ตอนโทษของการนินทาทีนี้จะว่าถึงโทษของการนินทาที่จริงน่าจะพูดว่าโทษและคุณของการนินทาแต่ไม่ว่าว่าไม่ได้เพราะมันไม่มีคุณมีแต่โทษอย่างเดียวแล้วที่ว่าโทษนั้นก็มีทั้งคนนินทาให้เราฟังทั้งคนฟังเขานินทา ก่อนอื่นขอให้เข้าใจว่าโทษของการนินทาเป็นโทษทางธรรมไม่ใช่โทษทางศีลคือไม่มีข้อห้ามทางศีลทั้งศีลหทั้งศีล8ในศีลห้าการพูดที่ผิดศีลมีเฉพาะการพูดเท็จในอกุศุลก ร, รมาบท10บคำพูดที่ต้องห้ามมี4อย่างคือคำเท็จคำหยาบ คำสอเสียดคำเพอร์เจอร์เท่านั้นคำนินทาไม่มีว่าไว้เพราะเป็นโทษคนละชั้นโทษทางศีลนั้นถ้าจะเปรียบก็เหมือนเป็นแผลที่ผิวหนังส่วนโทษทางธรรมมันกินลึกคล้ายๆกับโรคทางเลือดลมไม่ดีอย่างนั้นแหละการนินทาคนอื่นมีโทษหลายสถานอาทิเป็นคนไม่สะอาด จิตใจหย่อนสมรรถภาพเป็นการทำกิจที่น่าละอายและอื่นๆตอนเป็นคนไม่สะอาดที่ว่าคนนินทาเป็นคนไม่สะอาดคือใจไม่สะอาดเนื่องจากเที่ยวคิดแต่เรื่องไม่ดีจำแต่เรื่องไม่ดีเพื่อจะเก็บเอาเป็นอินทา เพราะเรื่องดีๆเอาไปนินทาไม่ได้ป่วยการจำดังนั้นคนขี้นินทาไม่ว่าจะไปไหนไหนพบกับใครๆก็สอดสายหาแต่เรื่องไม่ดีของเขาที่ตนเห็นว่าพอจะเอาไปนินทาได้ว่าก็ว่าเถอะคนขี้นินทามีนิสัยคล้ายๆกับคนขนขยะท่านคงจะเคยเห็นคนงานเทศบาลที่ลากขยะ ผ่านไปตามบ้านนะ่ะคนขนขยะนั้นตามปกติเป็นคนมองต่ำไม่มองสูงเข้าบ้านไหนห้องรับแขกเขาจัดไว้สวยๆห้องพระห้องนอนเขาจัดไว้ดีๆไม่สนใจดูเลยมัวแต่สายสายตาหาถังขยะคิดถามอยู่ในใจเรื่อยๆว่าบ้านนี้ตั้งถังขยะไว้ตรงไหนกองขยะ อยู่ที่ใดซากอะไรที่เน่าๆเๆ่าเหม็นเหม็นมีหรือไม่พอสายตาไปกระทบของพวกที่ว่านี้เข้าก็ดีอกดีใจเข้าบ้านต่อไปก็ทำเหมือนกันอีกวันนี้ก็ขนขยะทั้งวันกลางคืนก็นอนคิดถึงเรื่องขยะรุ่งเช้าก็ต้องไปขนขยะอีกเนื้อตัวเปื้อนเปรอะด้วยของไม่สะอาด นักนินทาคนก็เหมือนกันเรื่องความดีความชอบของคนอื่นมีแยะแต่ไม่ดูไม่จาไม่ติดใจเฉพาะจอดจงจะเก็บเอาไปอย่างเดียวคือเรื่องเสียเสียเท่านั้นนอกนั้นไม่เกี่ยวตำราเดียวกับค น, คนขนขยะนั่นแหละแต่ว่ากันที่บุญที่บาปคนขนขยะนั้นน่าเห็นใจกว่าคนนักนินทา เพราะเขาเป็นคนอาภับอับโชคจึงได้สู้ทนรับจ้างขนขยะหาเงินเลี้ยงตัวและครอบครัวมันเป็นอาชีพที่สุจริตร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเขามีโชคร่ำรวยเมื่อใดจ้างเขาก็ไม่ทำฝ่ายคนนักนินทาสิหน้าติกว่าไม่ใช่จำเป็นต้องนินทาเพราะเห็นแก่ลูกแก่ผัวไม่ใช่อย่างนั้น ตั้งอกตั้งใจนินทาเอาจริงๆต่อให้รวยเป็นมหาเศรษฐีก็ไม่เลิกนินทาผิดกับคนขนขยะซึ่งฝ้าแต่อยากเลิกอาชีพนั้นอยู่วันละร้อยครั้งพันครั้งและการขนขยะของเขาเป็นบริการที่เป็นประโยชน์มากเข้าบ้านไหนก็ทําให้บ้านนั้นสะอาดผู้คนในบ้านนั้นมีความสุขกายสุขใจขึ้น และขยะที่ขนไปก็ไม่ได้เอาไปเทเข้าบ้านใครมีแต่เก็บเอาไปทิ้งนอกเมืองส่วนคนขี้นินทาไม่ใช่อย่างนั้นเข้าบ้านไหนทำความรบหัวใจให้แก่เจ้าของบ้านนั้นเรื่องที่ขนออกจากบ้านนี้แทนที่จะเอาไปทิ้งนอกเมืองก็เปล่าเอาไปเทใส่อีกบ้านหนึ่งต่อไปพลาดท่าเข้าไปเทใส่พระในวัดก็มีแยะ ตอนจิตหย่อนสมถภาพโทษอีกอย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแก่คนขี่นินทาคนคือจิตของเขาเองจะหย่อนสมถภาพซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากทั้งนี้เพราะจิตได้ถูกบังคับให้จดจำเรื่องชั่วร้าย น, านั่นๆเข้าความคิดก็เสื่อมความจำก็เสื่อม เหมือนเราใช้ถ้วยแก้วที่สะอาดตักโคลนไม่กี่มากน้อยก็เสื่อมค่าความจำของคนขี้นินทาเสื่อมอย่างเห็นได้ชัดที่จำได้ไม่ลืมก็แต่เรื่องเสียๆเท่านั้นเรื่องดีๆไม่จำแม้แต่เรื่องที่ตัวเองเคยนินทาไปแล้วก็ลืมลืมว่าเรื่องนี้ได้นินทาให้คนนี้ฟังแล้วหรื อ, อยังและระบายสีไว้ว่าอย่างไรบ้าง จำไม่ค่อยได้ครั้นรู้สึกว่าตัวจำไม่ค่อยได้ก็ยิ่งต้องกวดขันใจของตัวเองให้ทำงานหนักขึ้นไปอีกคือต้องจำเรื่องพันนันหนักเข้าอีกสภาพจิตใจก็ยิ่งสุดหนักเข้าไปอีกหนักเข้าเลยทำงานผิดพลาดมากยิ่งขึ้นโดยลำดับคนที่นินทาคนอื่นแล้วสภาพจิตใจเสื่อมนั้น บางคราวกลับนินทาตัวเองโดยไม่รู้ตัวก็มีมีเรื่องเล่าว่าหญิงคนหนึ่งเป็นนักนินทาคนขนาดหนักชนิดที่ว่าต้องนินทาเป็นประจำวันวันไหนไม่ได้นินทาใครมันให้รู้สึกเปรี้ยวปากไม่สบายวันหนึ่งเขานินทาคนข้างบ้านให้เพื่อนฟังว่าแม่แม่คุณนายบ้านใกล้ๆกับบ้านฉันนะ่ะ ช่างเลวอะไรอย่างนั้นนักนินทาว่าเลวยังไงผู้ฟังถามโถแกก็บ้านใหญ่โตฐานะฐานเน่ก็พอๆกันกับฉันนี่แหละแต่ไม่มีเข็มเย็บผ้าแม้แต่เล่มเดียวทุเรศเหลือเกินนักนินทาว่ารู้ได้อย่างไรล่ะว่าเขาไม่มีเข็มผู้ฟังสัก คืออย่างนี้ที่จะรู้นะ่ะวันหนึ่งฉันอยากจะเย็บผ้าสักหน่อยแต่เข็มฉันไม่มีจึงอุตส่าห์ออกปากยืมน้อยบอกได้ว่าเข็มไม่มีช่างไม่รู้จักอายบ้านช่องก็ใหญ่โตพอๆกับฉันเหมือนกันแล้วก็พูดคำนินทาอื่นอีกไหลออกมานี่แหละ เขาว่านินทาเปลือผลที่สุดนินทาเขาว่าเข็มไม่มีนั้นไม่รู้ว่านินทาคนอื่นหรือนินทาตัวเองท่านทั้งหลายช่วยแกคิดหน่อยตอนเป็นการทำกิจที่น่าละอายโทษที่สการนินทาเป็นการทำกิจที่น่าอายคือทำแล้วไม่มีใครได้อะไร มีแต่เสียคนฟังเขานินทาก็ไม่ได้อะไรมีแต่เสียตามที่ว่ามาตอนก่อนแล้วคนนินทาก็ไม่ได้อะไรมีแต่เสียเหมือนกันคือเสียเวลาเสียการงานต้องจำใจฟังจะไม่ฟังก็กลัวจะเสียมารยาทกลัวว่าประเดี๋ยวนักนินทานั้นก็จะเอาไปนินทาว่าไม่ฟังเขานินทาอีกที่หนึ่ง คนที่น่าสงสารที่สุดคือคนถูกเขานินทานอนหลับไม่รู้นอนคูไม่เห็นต้องกลายเป็นอาหารปากให้คนอื่นไม่ได้อะไรสักนิดมีแต่เสียชื่อประเทศชาติก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นทุกคนมีแต่เคราะร้ผู้ถูกนินทาก็เคราะร้ที่เสียชื่อเสียง ผู้ฟังเขานินทาก็เคราะร้ายที่ต้องเสียงานเสียเวลาโทษของคนนินทายังมีอีกมากแต่ว่ากันเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว